สุตตานิเทศที่สหน้า4ี่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเดรัจฐ์บางพวกมีใจชั่วย่อมติเตียนโดยแท้นะคือเดรัจฐ์เนี่ยพาการติเตียนพระพุทธเจ้านะแม้ชนเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็ติเตียนตามพวกชาวบ้านนะเห็นเดรัจฐ์ติเตียนตัวเองก็เอามั่งไนงะแต่มุนี ย่อมไม่เข้าถึงวาทะติเตียนที่เกิดแล้วเพราะเหตุนั้นกิเลสเครื่องตรึงจิตจึงไม่ได้แก่จึงไม่ได้มีแก่มุนีในที่ไหนๆก็ความในพระสุตตันตปิฎกคุธการในกายมหานิเทศทุททักสุตานิเทศที่สามต่อนะครั้งที่แล้วกล่าวถึงข้อเก้าสิบเก้านะหน้าสี่ร้อยสามสิบสอง <C hr an ly> ซึ่งมาจากคาถาที th uh ar, ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความถือมั่นด้วยทิฏฐิย่อมไม่เป็นอาการที่ก้าวล่วงง่ายๆเลยนะใครยึดถือความเห็นอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะละกันง่ายๆนะการถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายแล้วถือมั่นก็ไม่เป็นอาการที่ก้าวล่วงได้โดยง่ายนะถ้าเรียว่าตกลงใจไปแล้วนะเหมือนกับว่าใครตกลงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั้น เช่นตกลงใจว่าไปหรือไม่ไปแค่นี้ก็ยังจะแก้ยากนะนี่ก็เหมือนกันในใครที่ตกลงด้วยทิฐิก็เหมือนกั น, นผู้ที่ยึดมั่นด้วยทิฐิตกลงใจด้วยอำนาจทิฐิเพราะฉะนั้นไอเพราะความถือมั่น่ะบางคนก็สละธรรมบ้างบางคนก็ถือธรรมบ้างคำว่าสละธรรมเนี่ยนะก็สละด้วยเหตุสองอย่างคือสละด้วยการตัดสินใจของผู้อื่น ไม่สําเร็จประโยชน์ตนเองจึงสละนะในหน้าสี่ร้อยสาสิบสามกล่าวว่านรชนย่อมสละด้วยการตัดสินของผู้อื่นนี่อย่างไรเราว่าเอาคนอื่นมาตัดสินใจให้ะนะว่าผู้อื่นย่อมตัดสินว่ า, าศาสดานั้นไม่ใช่สัพพัญยูนัไม่ไม่ยอมรับพระพุทธาศาสดานะผู้สอนลทัทธิธรรมะแห่งาศาสดานั้นไม่เป็นธรรมะอันาศาสดากล่าวดีแล้วหมูคณะ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติดีทิฐิไม่เป็นทิธฐิอันเจริญปฏิปทาไม่เป็นปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแล้วมักไม่เป็นทางนำออกจากทุกข์ันความหมดจดความหมดจดวิเศษความบริสุทธิ์ความพ้นความพ้นวิเศษหรือความพ้นรอบมิได้มีในลทัทธินี้ฉะนั้นถ้าหากว่าผู้อื่นเขามาแนะนำนะ ตําหนิติเตียนถึงแนวทางอ่ะนะตั้งแต่ผู้สอนคําสอนแม้กระทั่งหมู่คณะที่ปฏิบัติก็ไม่ได้ดีจริงอะไรเหมนประชาชนไม่หมดจดไม่หมดจดวิเศษไม่หมดจดรอบไม่พ้นไม่พ้นวิเศษหรือไม่พ้นรอบเพราะลัทธินั้นก็ปฏิเสธลัทธิเลยลัทธินั้นเรยวสามต่ำช้าสกปรกต่ำต้อย ผู้อื่นย่อมตัดสินอย่างนี้ตัดสินว่ามันเหมือนกับบางคนเนี่ยนะเลิกไปที่ใดที่หนึ่งเพราะคนอื่นเขาบอกว่าที่นั่นไม่ได้เรื่องเลยเราอะไรหรอกเจ้าเจ้าของทิฐิหรือถ้าสมัยนี้สมมุติถ้าเราไม่ชอบวัดใดวัดหนึ่งนะก็บอกว่าเจ้าวาดไม่ได้เรื่องหรอกคําสอนในวัดนั้นเนี่ยผิดจากข้าอใดบิดกอย่างเงี้ยพระภิกษุเป็นต้นที่อยู่ในสำนักนั้นอนะ่ะปฏิบัติผิดอย่า คนอื่นก็มาแนะนําเสี่ยมสอนแบบนี้เข้าก็เลยเลิกไปเมื่อผู้อื่นตัดสินใจให้อย่างนี้ย่อมสละศาสดาสละธรรมะที่ศาสดานั้นบอกสละหมูนะ่คณะสละทิฐิสละปฏิปทาสละมรรชนย่อมสละด้วยการตัดสินของผู้อื่นอย่างนี้คนอื่นตัดสินใจให้ก็เลิกไปเลยเหมือนกันส่วนนรชนที่ไม่สําเร็จประโยชน์จึงสละ คือตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามแล้วก็ไม่สําเร็จประโยชน์นะก็เลยสละเองเนี่ยเป็นอย่างไรนรชนไม่ยังศีลให้สําเร็จประโยชน์ย่อมสละศีลไม่ยังวัดให้สําเร็จประโยชน์ย่อมสละวัดไม่ยังศีลและวัดให้สําเร็จประโยชน์ย่อมสละศีลและวัดหมายว่าปฏิบัติไปยังไงมันก็ไม่ได้ผลเน่ยนะเมื่อไม่ได้ผลก็ถอยออกมาเองลักษณะนี้ท่านนรชนไม่สําเร็จประโยชน์เองจึงสละอย่างนี้ตอนนี้คือว่าย่อมสละธรรม ส่วนพวกที่ยึดถือธรรมก็คือนรชนย่อมถือย่อมยึดมั่นย่อมถือมั่นซึ่งศาสดาธรรมะที่ศาสดานั้นบอกหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามักเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายึดถือธรรมนั่นว่าโดยสรุปก็คือความถือมั่นด้วยทิฏฐิย่อมไม่เป็นอาการที่ก้าวล่วงได้ง่ายเลยการถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็ไม่เป็นอาการที่ก้าวล่วงได้ง่าย เพราะฉะนั้นในความถือมั่นนะนะความยึดถือทิฐิเหล่านั้นเนี่ยทําให้นรชนสละธรรมบ้างยึดถือธรรมบ้างนี่ก็ <c oughs> มาขึ้นคถาที่เจ็ดข้อหนึ่งร้อยกล่าวว่าทิฐิที่ทกําหนดเพื่อเกิดในภพใหม่อขอไปทิฐิที่ทกําหนดเพื่อเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีปัญญาในที่ไหนในโลก เพราะบุคคลผู้มีปัญญาละมารยาและมานะได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงจะพึงไปด้วยกิเลสอะไรเล่าคาถาก่อนๆเนี่ยกล่าวถึงพวกเดรธีเจ้าลทัทธิทั้งหลายนอกศาสนาเป็นหลักพอมาถึงในพระศาสนานี่นะคือทิฏฐิที่ผู้มีปัญญาเนี่ยเข้าละทิฏฐิ เพื่อนําไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยเข้าละได้หมดแล้วอ่ะคือละอทิฐิที่ที่นำไปสู่การเกิดเป็นต้นนะนะเพนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรจึงละทิฐิได้หมดอ่ะก็เพราะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยละมายาและมานะได้ละมานยามายาเนี่ยเดียวกั น, น, เ, นเพราะนั้นก็เลยไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงพรานั้นจะไปด้วยกิเลสอะไรเพราะการไปปฏิสนธิณภพบต่างๆนเนี่ยนะ กิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นตัวพาไปปฏิสนธิหนะ้าที่ต่างๆคําว่าทิฐิที่ทททกําหนดเพื่อเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีปัญญาในที่ไหนๆในโลกมีความว่านะปัญญาเรียกว่าโทนะคําว่าปัญญาเนะีเป็นจุดโทนะปัญญาก็คือความรู้ความรู้ทั่ว ร, ร, รู้อะไรก็คือรู้อริยสัจนั่นเอง โทนะเณนะเนี่ย <c oughs> คือศัพท์ว่าปัญญานี่ก็มีคําที่ใช้แทนหลายคำนะปัญญานี่ตรงนี้เรียกว่าโทนะนั่นแหละความรู้ความรู้ทั่วรู้อะไรก็คือรู้อริยสัจนั่นแหละหรือรู้โดยประการต่างๆรู้ว่าไม่เที่ยงบ้างรู้ว่าเป็นทุกข์บ้างรู้ว่าเป็นอนัตตาบ้างรู้ว่าเป็นอสุภะบ้างนั่นแหละก็คือปัญญาในทุกขสัจนั่นเอง เมื่อปัญญาที่มีความรู้ในทุกขัสัตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็เป็นไปเพื่อเพิกถอนตันหาฉันทะราคะในสมุทัยสัตว์เมื่อเพิกถอนตันหาฉันทะราคะในสมุทัยสัตว์ก็สามารถที่จะทําให้แทงตลอดนิโรสัตปัญญาความรู้ทั่วก็คือรู้อริยสัตว์หรือรู้ทุกขัสัตโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาฉนั้นความเลือกเฟ้นความเลือกเฟ้นทั่วความเลือกเฟ้นธรรม ก็คือเลือกเฟ้นอริยสัตว์นั่นเองอันผู้มีปัญญาก็เลือกเฟ้นที่จะอบรมโดยเฉพาะเลือกเฟ้นที่จะเจริญสติสำปรชัญญาฮิริโอตาปะเป็นต้นนะนะเพื่อที่จะแทงตลอดอริยสัตว์ความกําหนดความดีความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้มีปัญญารักษาตนปัญญาเครื่องจาําแนกปัญญาเครื่องคิดปัญญาเครื่องเข้าไปเห็น ปัญญาอันกว้างขวางดุดแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาอันนำไปรอบปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสำปะชัญญะปัญญาเครื่องเจาะแทงปัญญาเครื่องเห็นชัดปัญญาเป็นใหญ่คือปัญญินีปัญญาเป็นกำลังคือปัญญาพละปัญญาเหมือนสาตตาปัญญาเหมือนปราสาสตร์ปัญญาอันสว่างปัญญาอันแจ่มแจ้งปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาเพียงนางแก้วความไม่หลง ความเลือกเฟ้นธรมความเห็นชอบทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคือคำที่ใช้แทนคําว่าปัญญานะก็คือใช้คําที่หลากหลายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญญาได้ชัดเจนขึ้นทีนี้เพราะเหตุไรปัญญาจึงชื่อว่าโทนาตั้งคำถามเพื่อจะตอบเองว่าเพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งทุจริตเนี่ยนะมีกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตฉะนั้นในผู้ที่มีปัญญาจริงๆอ่ะนะก็ต้องกําจัดล้างชําระซักฟอกทุจริตสามได้อะ่ะจึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญาอันผู้มีปัญญาไม่ใช่ว่าโอ้โหทำทุจริตมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่เรียกว่าปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ก็คือผู้ที่สามารถทําลายอ่าทุจริตไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยนะนะราคะโทสะโมหะนี่ยนะนะคือ กำจัดล้างชำระซักฟอกราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาตรณีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข่งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกระวนกระวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอักขุสรธรรมทั้งปวงเพราะเหตุนั้นปัญญาจึงชื่อว่าโทนานะ อันผู้ที่มีปัญญาโทนาก็คือผู้ที่มีปัญญาสา ม, มารถที่จะกําจัดบาปอากุศลนั่นนะกำจัดกิเลสกําจัดตัณหากําจัดอาสวะเนี่ยนะละความชั่วทางกายวาจาใจาได้หมดนะ่ะจึงจะเรียกว่ามีปัญญาชื่อว่าโทนาท่นผู้มีปัญญาเนี่ยนะถ้าชัดตรงนี้ก็คือมีปัญญารอบรู้ในทุกขสัตว์โดยประการทั้งปวง แล้วก็สา ม, มารถชำระสมุทัยสัตว์คือกิเลสบาปอากุศลได้ทุกอย่างอย่างง่เรียกว่าผู้มีปัญญาที่เขาทําอย่างนั้นได้ก็เพราะเขาแทงตลอดนิโรสัจจะนะอันผู้ที่ปฏิบัติสา ม, มารถแทงตลอดนิโรสัจจได้นะั่นแหละเรียกว่าผู้มีปัญญาลนะอีกอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกําจัดล้างชําระซักฟอกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนั้นถ้ามีปัญญาก็ละมิจฉาทิฏฐินั่นแหละสัมมาสังกัปปะ ก็เป็นเครื่องกําจัดล้างชําระซักฟอกซึ่งมิจฉาสังกปะถ้ามีกุศลสังกปะก็ฟอกมิจฉาสังกปะถ้าว่ามีกุศลวิตกเนี่ยนะคือเนคขมวิตกอัพยาบาศวิตกอวิหิงสาวิตกก็ต้องฟอกชําระซักล้างเนี่ยนะไอ้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสัมมาวาจาเป็นเครื่องกําจัดล้างชําระซักฟอกซึ่งมิจฉาวาจา ถ้าใครมีสัมมาวาจาก็ต้องละมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะก็เป็นเครื่องกำจัดเครื่องล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉากัมมันตะมันผู้ที่มีความสุดจริญทางกายก็ละความพู้จริตทางกายนั่นเองสัมมาอาชีวะก็กำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาอาชีวะมันผู้ที่มีอาชีพบริสุทธิก็ละอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ สัมมาวายามะเนี่ยนะสัมมประธานก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาวายามะนะความเพียรที่เป็นไปกับบาปอากุศลมิจฉาสตินะเช่นโดยเฉพาะสติประธานสี่เนี่ยเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็เป็นเครื่องล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณนะเนี่ยน네ะก็คือ ปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยมรรคหรือว่าปัจเจกขณะยานเนี่ยสัมมาญาณอันนี้ก็เป็นเครื่องกําจัดล้างชําระสักฟอกซึ่งมิจฉาญาณเนี่ยนะความรู้ผิดส่วนสัมมาวิมุตต์เครื่องเอ่อความหลุด พ, พ้นเนี่ยนะเป็นเครื่องกําจัดล้างชําระซักฟอกซึ่งมิจฉาวิมุตต์อันนี้ท่านธรรมสิบประการเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดล้างธรรมสิบประการที่เป็นอกุศล อีกอย่างหนึ่งอริยมรตมีองค์8ปดกำจัดล้างชําระซักฟอกกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกระวนกระวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกกุศลธรรมทั้งปวงนั่นแหละอนุภาพของอริยมรตมีองค์แปดเนี่ยยอดเยี่ยมสามารถกําจัดชําระล้างบาปได้ทุกชนิดพระอรหันเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้าชิดเข้าชิดพร้อมประกอบแล้วด้วยธรรมะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องกำจัดเหล่านี้ก็คือท่านเข้าพร้อมกับปัญญาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ดอย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงชื่อว่าผู้มีปัญญาพระอรหันต์นั้นกำจัดราคะกำจัดบาปกำจัดกิเลสกำจัดความเร่าร้อนเสียแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้มีปัญญานั้นผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามโพธิปัจจะธรรมปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด ตามสัมมะตะธรรมสิบประการเนี่ยนะก็สามารถที่จะชําระชะล้างสมุทัยสัตว์บาปอากุศลได้หมดสิ้นเชิงอย่างนันะ้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะเน้นผู้ที่มีปัญญาสามารถกําจัดสมุทัยคือเหตุแห่งกองทุกขโดยประการทั้งปวงคําว่าในที่ไหนๆคือในที่ไหนๆในที่ใดหรือว่าทุกหนทุกแห่งในโลกก็คือใน อบายยโล ก, โลกมนุษยโลกเทวโลกขนันธาตุอายตนะโลกเ น, นี่ยนะคำว่ากําหนดก็คือกําหนดด้วยตันหากับทิฏฐิคําว่าในภพน้อยและภพใหญ่ได้แกภพน้อยภพใหญ่ก็แบ่งออกเป็นสองนะคือกรรมวัดกับวิปากวตดกรรมวัดก็แบ่งออกเป็นกรรมวัดวิปากวัดก็แบ่งตามภูมิสเนี่ยนะกรรมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิมันนะท่านกรรมวัดวิปากวตดในกรรมภูมิกรรมวัดวิปากวัดในรูปภูมิกรรมวัดวิปากวตดในอรูปภูมิ ก็คือมีกรรมและก็ผลของกรรมนั่นเองในความเกิดบ่อยๆในความเป็นไปบ่อยๆในความเข้าถึงบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆความบังเกิดขึ้นบ่อยๆอัตภาพบ่อยๆอย่างนี้แหละชื่อว่าพบน้อยพบใหญ่ก็คือการการเกิดการประวัตตเนี่ยนะการเข้าถึงปฏิสนธิการบังเกิดการมีอัตภาพเนี่ยนะสรุปว่าก็คือการเกิดบ่อยๆถ้าบอกว่าเกิดบ่อยๆก็แปลว่าตายบ่อยๆเเหมือนกัน คำว่าทิฐิที่กําหนดเพื่อความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีปัญญาในที่ไหนในโลกนะคือผู้มีปัญญาหมายถึงพระอรหันต์เนี่ยนะท่านพระอรหันต์ท่านไม่มีทิฐิเพื่อการเกิดในทุกภพเลยอ่นะนั้นทิฐิของท่านเนี่ยไม่ว่าที่ไหนท่านก็ไม่เกิดอ่ะอยู่ที่ใดท่านก็ไม่มีทิฐิแม้แต่อย่างเดียวคือทิทิฐิที่เป็นอกุศลเนี่ยนะทัานทิฐิที่กําหนดกําหนดทั่วปรุงแต่ง ตั้งมั่นในพบน้อยและพบใหญ่ทั้งหลายย่อมไม่มีไม่ได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่บุคคลผู้มีปัญญาในที่ไห น, นในโลกคือย่อมเป็นทิฐิอันบุคคลผู้มีปัญญานั้นะละเสียแล้วตัดขาดสงบระ ง, งับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าทิฐิที่กาหนดเพื่อความเกิดในพบน้อยและพบใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคล ผู้มีปัญญาในที่ในไหนในโลกนะสํานวนว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไปอยู่ตรงไหนท่านก็ไม่มีมิจฉาทิฐิไม่มีทิฐิเพื่อการเกิดนะเพื่อการปฏิสนธิในทุกหนทุกแหง่งในทุกภพภูมิเนี่ยไม่มี